รจร่อนรอนด้านมูเร่องจิตสธามีความเรื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆด้านวันนี้เป็นวันพุทธที่หนึ่งเพื่อสพาคมพุทธศักราช2556เป็นวันหยุดการทำงานเนื่องจากเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ญาติโยมเลยไม่ต้องไปทำมหาหากินเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องวันนี้ก็เลยมาวัดเพื่อมาทำมหาหากินเลี้ยงจิตใจซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญกว่าร่างกายร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวส่วนใจนี้ เป็นของท้าวรแล้วก็ความสุขความทุกข์ของใจนี้มีน้ำหนักมากกว่าความสุขความทุกข์ของทางร่างกายถ้าใจมีความสุขแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าร่างกายสุข แต่ใจทุกความสุขของร่างกายก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะไม่สามารถไปลบล้างความทุกข์ของใจได้แต่เวลาที่ร่างกายทุกแต่ใจสุขนี้ความสุขของใจสามารถลบล้างความทุกข์ของร่างกายได้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านมีความสุขใจอย่างเต็มที่เวลาร่างกายของท่านเป็นอะไรไปท่านไม่เดือดร้อนเพราะความสุขของใจมันมีความยิ่งใหญ่มีน้ําหนักมากกว่าความทุกข์ของร่างกายพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านจึงแก่เจ็บตาย ได้อย่างไม่สะทกสะทานไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่เหมือนกับผู้ทุชนที่ไม่มีความสุขใจมีแต่ความทุกข์ใจเวลาร่างกายเป็นอะไรก็วุ่นวายกันไปหมเดือดร้อนกันไปหม น, นี่ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ดูแลไม่ได้ทํามาหากิน เพื่อเลี้ยงจิตใจทำมาหากินเพื่อเลี้ยงร่างกายเพื่ออย่างเดียวการมาวัดนี้เป็นเหมือนกับการทำมาหากินมาทำมาหากินให้กับจิตใจถ้าเราทำบุญละบาปชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ใจของเราจะมีความสุขมาก เหมือนกับได้เงินมากแต่เป็นเงินภายในเรียกว่าทรัพย์ภายในอริยทรัพย์บนนียแหละที่จะทำให้จิตใจมีความสุขมากเงินทองนี้ทำให้ร่างกายมีความสุขแต่ไม่สามารถยับยั้งดับความทุกข์ทางร่างกายหรือทางจิตใจได้ เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้จะมีเงินมากขนาดไหนก็ตามถ้าเป็นโรคที่รักษาไม่หายก็รักษาไม่หายอยู่ดีคนที่มีเงินมากๆอยากไปคิดว่าจะซื้อความสุขจะดับความทุกข์ได้ซื้อได้ในบางอย่างดับได้ในบางอย่างแต่ไม่สามารถ ซื้อความสุขทุกอย่างได้ดับความทุกข์ทุกอย่างได้แต่ผู้ที่มีทรัพย์ภายในผู้ที่เป็นเศรษฐีบุญนี้สามารถมีความสุขที่ยิ่งใหญ่และสามารถดับความทุกข์ต่างๆไม่ให้มารบกวนจิตใจได้เลยดังนั้นหน้าที่ของเราที่แท้จริง จึงอยู่ที่การเลียงดูจิตใจทามาหากินเพื่อหาทรัพย์ภายในส่วนการทำมาหากินเพื่อหาทรัพย์ภายนอกนี้เราก็ทำไปเท่าที่จำเป็นเท่าที่ร่างกายต้องการก็พอไม่ต้องให้ร่ำรวยมหาศารมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านไม่เกิดประโยชน์อะไรคนมีหมื่นล้านแสนล้าน ก็ดูแลรักษาร่างกายได้เหมือนกับคนที่มีเงินเหมือนินแสงร่างกายก็อยู่ได้เหมือนกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเจอโรคที่รักษาได้ก็รักษาให้หายได้เหมือนกันถ้าเจอโรคที่รักษาหายไม่ได้ก็รักษาให้หายไม่ได้เหมือนกันดังนั้นการที่เราจะทุ่มเทเวลาให้กับการหาเงินหาทอง เพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่เป็นการกระทำที่ฉลาดเพราะว่าเป็นการดูส่วนที่ไม่สำคัญของเราก็คือร่างกายเราไม่ได้ดูส่วนสำคัญของเราก็คือจิตใจจิตใจนี่เป็นส่วนที่สำคัญยิ่งกว่าร่างกายหลายร้อยหลายพันเท่าเลยกันเพราะจิตใจของเรานี่ไม่มีวันตา ส่วนร่างกายของเรานี่มีอายุไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายไปเงินทองที่เราหาได้มาเป็นร้อยล้านพันล้านเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายก็ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้แก่ร่างกายได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วแต่ถ้าเรางเงินทองที่เราได้มาจากการทำอาหากิน ที่เป็นส่วนเกินที่มีมากเกินความต้องการของร่างกายเราเอาเงินส่วนนั้นมาทำบุญเราก็จะทำให้ใจของเรามีความสุขเพราะเป็นการเลี้ยงจิตใจเป็นเหมือนกับการทำมหากินเลี้ยงจิตใจหน้าที่ของเราก็คือเราต้องหาบุญให้กับใจมากๆใจได้บุญมากเท่าไหร่ใจก็จะมีความสุขมากเท่านั้น บุญที่เป็นบุญที่สำคัญนั้นมีอยู่3ข้อด้วยกันคือ1การให้เรียกว่าทานสอการไม่เบียดเบียนเรียกว่าศีลสาการทำใจให้สงบและชลาเรียกว่าภาวนานี่คือบุญหลักที่เราควรที่จะ มาให้กับจิตใจให้มากมากเหมือนกับอาหารหลักอาหารหลักของเราคืออะไรก็คือข้าว ก, กับข้าวนั่นเองส่วนอาหารรองก็คือขนมน ม, นมเนยของหวานของอผลไม้อะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีก็รับประทานไม่มีเราก็ไม่รับประทานก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีอาหารหลัก ถ้ามีข้าวมีกับข้าวเราก็อยู่ได้ชั้นดใดใจของเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขก็ต้องมีอาหารหลักอาหารหลักของใจก็คือทานแปลว่าการให้ศีลแปลว่าการไม่ทําบาปภาวนาะแปลว่าการทําให้ใจสงบทําให้ใจฉลาดอันนี้คืออาหารหลักของใจ ที่เราควรที่จะทําให้มากๆรับประทานให้มากๆเหมือนกับเรารับประทานข้าวกับกับข้าวส่วนอาหารรองเช่นขนมนมเลยผลไม้เครื่องดื่มต่างๆถ้าเรามีปัญญาซื้อมาดื่มมารับประทานเราก็ซื้อมาถ้าเราไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าร่างกายของเราได้กินข้าวได้มีกับข้าวฉันใดบุญอย่างอื่นนอกจากการทำทานรักษาศีลการภาวนา mm hmm. เช่นการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศล mm hmm. การอนุโมทนาบุญ mm hmm. การรับช่วยช่วยเหลือผู้อื mm ่น hmm. การเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน mm hmm. การเดิน ผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องการที่เผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นทำบุญเหล่านี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้บุญที่ต้องมีก็คือทานศีลภาวนาการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดมีความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เป็นบุญที่สำคัญ ส่วนบุญอย่างอื่นเราก็ทำไปตามโอกาสเช่นเวลาเราทำบุญใส่บาตเสร็จถวายทานเสร็จเราก็จะอุทิศแบ่งบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเราก็ทำได้จะทำให้กับญาติสนิทมิตหายก็ได้หรือจะทำให้กับสปปรรพสัต์ทั้งหลายก็ได้อยู่ที่ใจของเราเวลาเราอุทิศเราก็ คิดไปในใจว่าขอทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านนั้นท่านนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้หรือให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นการบุญทิตนาอันนี้เราก็ทำเวลาที่เราทำบุญให้ทานส่วนอันการอนุโมทนาบุญก็อยู่ที่เวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเราไม่ได้ตั้งใจจะทำบุญแต่พอเราทราบข่าวว่าจะมีการทำอะไรที่เป็นประโยชน์เช่นสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุติสร้างศาลาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลหรือช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเวลามีอุทุกภัยน้ำท่วม เวลามีอักขีภัยไฟไฟหม้คนเดือดร้อนขาดแคลนเรื่องอาหารยารักษาโรคเรื่บนุ่งห่มแล้วมีการมาบอกบุญเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญก็ร่วมทำบุญไปด้วยถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเราก็ไม่ต้องมีอนุโมทนาบุญแต่เราก็ควรจะทำทานของเราเป็นปกติ อย่างสมับเสมอเหมือนกับการรับประทานอาหารเราต้องหนัรับประทานอาหารทุกวันเราก็ต้องทำบุญทําทานทุกวันใส่บาตรบ้างเอาเงินให้คนนั้นคนนี้บ้างช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เวลาที่เขาขาดแคลนสิ่งต่างๆเช่นขาดแคลนอาหารขาดแคลนยารักษาโรคขาดแคลน เพิ่มนุ่หอเราก็ทำไปขอให้เราพยายามทำทุกวันเช่นเดียวกับการรักษาศีลเราก็ควรที่จะรักษาศีลทุกวันอย่างน้อยก็ต้องรักษาศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายามและอวัยมุฒต่าง เช่นเล่นการทานันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิจมีความเกียจครานเพราะการกระทำเหล่านี้จะนำมาซึ่งความทุกข์และความเสื่อมเสียต่างๆเราต้องพยายามละเว้นให้ได้แล้วถ้าเรามีกำลังมากพอก็ให้เรารักษาศิ้นแปดถ้าเรายังลักษาศิ้นห้าสิ 5, ส้แปด ไม่ได้ก็รักษาศีลห้าไปก่อนแล้วก็มารักษาศีลแปดในวันสําคัญเช่นมนในวันพระอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็มารักษาศีลแปดกัน 8, สักครั้งหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นนั่นเองแล้วเราก็ต้องภาวนาทุกวันการภาวนาก็คือการนั่งสมาธินี่เอง นั่งสมาธิจเจริญปัญญาเรียกว่าภาวนานั่งสมาธิเรียกว่าสามถภาวนาจเจริญปัญญาเรียกว่าวิปัสนาภาวนาเราต้องทำทั้งสองระดับเพราะว่าสมาธิอย่างเดียวนี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะทำลายความทุกขต่างๆให้หมดไป อย่างถาวรจะเพียงแต่กดความทุกข์ไว้ชั่วคราวสิ่งที่จะทำให้ความทุกข์นี้หมดไปอย่างถาวรก็คือปัญญาแต่ก่อนที่เราจ ะ, จะเจริญปัญญาได้เราต้องมีสมาธิก่อนและก่อนที่เราจะมีสมาธิได้เราก็ต้องมีสติก่อนเราต้องถือศีลแปดก่อน ถ้าเราไม่ถือศีลแนี้เราจะภาวนายากเพราะศีลห้าไม่มีกำลังพอที่จะควบคุมบังคับความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาผู้ที่ถือศีลห้านี้ยังไม่ได้หยุดความอยากไปหาความสุขกับการร่วมหลับนอนกับผู้อื่น ยังไม่ได้หยุดความอยากไปหาความสุขจากการดื่มเดิมจากการรับประทานคือสามารถดื่มได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่สามารถยับยั้งความอยากที่จะไปหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆเช่นดูภาพยนตร์ดูละครร้องรำทำเพลงแล้วก็ไม่สามารถหยุดความอยาก ความเกียจคร้านคือเวลานอนก็อยากจะนอนนานๆนอนมากว่านอนมากเกิดความจําเป็นของการพักผ่อนหลับนอนแต่ถ้ารักษาศีลแปดได้ก็จะสามารถระ ง, งับความอยากทางการอารมณ์ได้ระ ง, งับความอยากร่วมหลับนอนกับผู้อื่นได้ ระงับความอยากที่จะรับประตานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตได้ระงับความอยากหาความสุขจากเครื่องบันเทิมต่างๆได้เช่นไม่ดูหนังไม่ดูละครไม่น้องลําทำเพลงไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอา่อนที่วิจิตรพิสดารไม่ใช้เครื่องสำอางใช้น้ำหอมเพื่อมาปกปิด กินที่ไม่ปรารถนาของร่างกายแล้วก็ไม่หลับนอนบนฟูกหนาๆจะนอนบนพื้นแข็งๆเช่นพื้นไม้ปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสือ่อเพราะเวลานอนบนพื้นแข็งนี้จะนอนไม่มากพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วเวลาตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะได้มีเวลา มาทำกิตที่สำคัญมาดับความทุกข์ใจด้วยการภาวนาการภาวนาก่อนจะภาวนาทำใจให้สงบได้ก็ต้องเจริญสติก่อนต้องควบคุมความคิดไม่ให้คิดรุ่ยเปื่อ ย, ยให้คิดเท่าที่จำเป็นเวลาที่ไม่จำเป็นต้องคิดก็ให้หยุดคิด ด้วยอุบายของการบริกรรม พ, พุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราบริกรรม พ, พุโทโธพุธโทโธไปเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ชอบบริกรรม พ, พุโทโธเราชอบสวนมนต์ก็ให้สวนมนไปสวนอิติปิสโสสวนสวากขาโตสวนสุปฏตปิปโนไปสวดไปหลายๆลายรอบสวดไปเรื่อยเื เพื่อไม่ให้ร่าไม่ให้จิตใจไปคิดเรื่องต่างๆถ้าเรามีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดได้เวลาเรานั่งหลับตาใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอได้ความสงบใจก็จะมีกําลังมีกําลังที่จะต่อสู้กับความอยากที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้เพราะเวลา มีสมาธินิจัยจะมีความอิ่มเหมือนกับได้รับประทานอาหารพอได้รับประทานอาหารแล้วถึงแม้จะมีความอยากจะรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้ารับประทานจนอิ่มแล้วก็จะแมก็จะรับประทานไม่ลงฉันใดใจที่มีความสงบแล้วจะมีความอิ่มเหมือนกับคนที่รับประทานอาหารอิ่มแล้ว ถึงแม้เห็นอาหารอร่อยอยากจะรับประทานก็รับประทานไม่ลงเพราะมันนั่นท้องมันเต็มท้องแล้วฉันใดผู้ที่มีสมาธิก็เป็นอย่างนั้นเวลาใจสงบเมงสมาธิแล้วใจใจอิ่มจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะไม่หิวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้เวลาเกิดความอยากจะไป หาสิ่งนั้นสิ่งนี้หาคนนั้นคนนี้ก็จะไม่อยากไปก็จะใช้ปัญญาตัดความอยากได้ปัญญาจะสอนใจว่าอย่าไปเลยไปแล้วเหนื่อยเปล่าไปแล้วก็ต้องกลับมากลับมาก็เหมือนเดิมไม่ได้อะไรได้ความเพลิดเพลินได้ความสุขประเดียวประดาวจากการไปหาคนนั้นคนนี้ าสิ่งนั้นสิ่งนี้เท่านั้นเองพอกลับมาบ้านก็เป็นเหมือนเดิมสู้อยาไปดีกว่าสู้อยู่เฉยๆอยู่กับความสงบดีกว่าแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่มีความอยากมารบกวนจิตใจมาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรานี่คือเรียกว่าการภาวนาสมถภาวนาทาใจให้สงบ ด้วยการนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากก็ให้ปัญญามาหยุดความอยากสอนใจว่าอย่าอยากอยากแล้วจะติดเป็นนิสัยอยากแล้วก็จะต้องอยากไปเรื่อยๆเช่นอยากจะสูบบุหรี่ถ้าสูบมวนดีแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีความอยากอยากจะสูบมวนต่อไปถ้าไม่อยากจะสูบบุหรี่อยากจะเลิกบุหรี่ ก็ต้องหย่าไปสู่เลยเวลาอยากสูดก็อย่าไปสูดกลับมาทําสมาธิทําใจให้สงบดีกว่ากลับมาบริกรรมพุทธโธพุทธโธกลับมาสวดมนต์พอใจสงบความอยากสูบบุรี่ก็จะหายไปให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากสู่บุรีก่ก็จะหมดไปเพราะทุกครั้งที่อยากแล้วไม่ได้สู่ มันก็จะอ่อนกําลังไปได้เรื่อ ย, อยในทางตรงกันข้ามทุกครั้งที่อยากจะสูดแล้วได้สูดความอยากจะสูดก็จะมีกําลังมากขึ้นตอนต้นก็สูดวันละสองสา ม, มวนต่อมาก็จะสูดวันละสิมวนต่อไปก็จะสูดวันละสองต่อไปก็จะสูดวันละสอง ส, สองสาสองนี่แหละคือปัญหาของความอยาก ความอยากนี้จะไม่หยุดไม่หมดไปด้วยการทำความอยากความอยากนี้จะหมดไปด้วยการฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากด้วยการทำใจให้สงบนี่แหละเป็นวิธีดับความอยากดับความทุกข์เพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้ามีความอยากเมื่อไหร่ก็จะมีความไม่สบายใจเมื่อนั้น ความอยากนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคของใจเหมือนกับเชื้อโรคของร่างกายเวลามีเชื้อโรคของร่างกายร่างกายก็จะไม่สบายเวลามีความอยากมีเชื้อโรคของใจใจก็จะไม่สบายดังนั้นเวลาที่เรามีความไม่สบายใจขอให้เราถามตัวเราดูเองว่าตอนนี้เราอยากได้อะไร หรืออยากไม่ได้อะไรอยากมีอะไรหรืออยากไม่มี <leye groceries. S 1> อะไรเพราะว่าความไม่สบายใจของเรานี้ไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นไม่ได้เกิดจากคนอื่นไม่ได้เกิดจากสามีไม่ได้เกิดจากภรรยาไม่ได้เกิดจากบุตรธิ่ดาไม่ได้เกิกจกดจากคนนั้นคนนี้แต่เกิดจากความอยากของเราที่อยากให้คนนั้นคนนี้ เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นันนน่นเองเพราะเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ <c oughs> ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราอยากจะสบายใจอยากจะดับความไม่สบายใจเราก็ต้องมาดับความอยากของเราเราต้องถามตัวเราเองว่าตอนนี้เราไม่สบายใจกับเรื่องอะไรกับใครแล้วถามว่าเป็นเพราะว่าเราอยาก ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะสบายใจอยากจะดับความไม่สบายใจเราก็ต้องหยุดความอยากปล่อยเขาไปเขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาไปเขาจะดีกับเราหรือไม่ก็ปล่อยเขาไปเขาจะด่าเราหรือเขาจะชมเราก็ปล่อยเขาด่าไปปล่อยเขาชมไป ถ้าเราปล่อยเขาได้หยุดความอยากของเราได้เราก็จะสบายใจเราก็จะดับความไม่สบายใจของเราได้นี่แหละคือปัญญาเราต้องคอยดูใจของเราอยู่เรื่อยๆ เ, เวลานี้ถามตัวเองว่าตอนนี้เราสบายใจหรือไม่สบายใจถ้าสบายใจก็แสดงว่าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องทำอะไร แต่เวลาที่มีความไม่สบายใจเวลานั้นเราต้องถามตัวเราเองว่าเราไม่สบายใจกับเรื่องอะไรถ้าเราอยากจะหายจากความไม่สบายใจเราก็ต้องหยุดความอยากกับเรื่องนั้นให้ได้นี่แหละคือปัญญาที่จะสามารถดับความไม่สบายใจดับความทุกข์ใจต่างๆของเราได้หมด เราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปทําบุญสระเคราะหไม่ต้องไปทําพิธีกรรมต่างๆเพราะการทําบุญสระเคราะห์ทพิธีกรรมต่างๆจะไม่สามารถมาดับความไม่สบายใจของเราได้เพราะมันไม่ได้เป็นวิธีดับความอยากนั่นเองวิธีดับความอยากก็คือต้องสอนใจให้เห็นว่า เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้สิ่งที่เราอยากนั้นเป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอไปบางเวลาเราก็สั่งได้บางเวลาเราก็สังงส่งไม่ได้เวลาสั่งได้เราก็สบายใจแต่เวลาที่เราสั่งไม่ได้เวลานั้นเราก็ไม่สบายใจเช่นตอนนี้เราสั่งให้ร่างกายเราไปไหนมาไหนได้ เราก็สบายใจแต่ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยสั่งให้ไปไหนมาไหนไม่ได้เราก็ไม่สบายใจต้องอยู่บ้านต้องนอนอยู่บนเตียงแต่ถ้าเราตัดความอยากที่จะให้ร่างกายพาเราไปที่นั่นพาเราไปที่นี่พาเราไปทำให้นั่นทำให้นี่เราหยุดความอยากได้เรานอนบนเตียงเราก็อยากนอนอย่างสบายใจ นี่แหะคือเรื่องของความสุขความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากของใจนี่เองถ้าใจอยากก็จะไม่สบายใจจะทุกข์ใจถ้าใจหยุดความอยากได้ก็จะสบายใจจะสุขใจการทำบุญให้ทางการรักษาศีลการภาวนาก็เป็นเพื่อมาหยุดความอยากนี้เองส่วนการทำบุญอย่างอื่น ก็เป็นการเสริมบาลมีแต่สิ่งที่เราต้องมีก็คือทานศีลภาวนาและการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเกิดให้เกิดมีความเห็นที่ถูกต้องให้มีความเห็นว่าเราเกิดมานี้เพื่อมาดับความอยากเราต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อดับความอยากอย่าไปทำตามความอยาก พราะจะสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นจะทําให้การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุดติการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากด้วยการทาทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าเราทําได้สักวันหนึ่ง ใจของเราจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจจะมีแต่ความสุขความสบายใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสินี่คือรางวัล น, นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการทำบุญให้ทางจากการรักษาศีจากการภาวนาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมา สร้างความสุขให้กับใจดับความทุกข์ให้กับใจนี้ให้ท่านได้นาเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ลาความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนเจา และบุญกุศลที่ท่านได้มาตอนเป็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุกดและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้าการเธอ